บุ๊กทูสี่สิบเก้าน่ารักไหมตมิดีกีลาอาัดลูคุณออกกำลังกายไหมมีรูอไม่เอามันเฉสตาระค่ะีิฉันต้องออกกำลังกายอาโน นกโกกีฬตบยายามหมอวสรดมดีฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับนีน่นโะกสปอร์ตคลับโลสทยุดนีเราเล่นฟุตบอลเมมุฟุตบอลซอเกอร์อารตามบางครั้งเราก็ว่ายน้ำวบกโกซารีไม่มียีตะกอตารมหรือเราขี่จักรยาน เลดาเมื่อไซคิลตกคุตามมีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรามาปัตรนันล่ะวกกฟุตบอลซอเกอร์สเตเดียมมุนดีแล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วยวกกับสมิ่ายนสกอตาตาร์ปัตรมุ่ดีและมีสนามกอล์ฟอาลากบกฟไมดานังคูดดี ทีวีมีอะไรดูทีวีโลยเยมวสตันดิกำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้อีพุดวกกฟุตบอลซอเกอร์มาชนาดุสตันดิทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่เยอรมันวอลลูจัตตูอิงแลนด์วอลตัวอารตันดิใครกำลังนำ ยาวรุ่เกลือสุนนารูดิฉันไม่ทราบค่ะนากูเตลียดูตอนนี้เสมอกันอยู่ประติมาีดิไตรย์อินดีพูดตัดสินมาจากเบลเยียมเรเฟรีเบลเยียมเดสสตุดตอนนี้กำลังญิงลูกโทษอีุวกะเพนอินดิ เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ g o a โบกตีสุด น, นะ